เมตตาอปปนาห้าร้ยิดก็แลในวิธีการแผ่เมตตาโดยเม่เจาะจงได้อาการห้าโดยเจาะจงได้อาการเจ็ดนั้นอาการภาวนาอันหนึ่งอันหนึ่งเป็นเหตุให้ได้อัปปนาฌานสี่อปปนาโดยอาศัยบทภาวนาแต่ละบทแต่ละบทดังนี้บทภาวนาว่าสัเพสัตตาอเวราหวนตุ ขอสัตว์ทั ina, ้งปวงจงยาผูกเวรกันนี้เป็นเหตุให้ได้อัปนาอันหนึ่งบทภาวนาว่าอภยาปชาโหตุขอสัตว์ทั้งปวงจงยาเบียดเบียนกันนี้เป็นเหตุให้ได้อัปนาอันหนึ่งบทภาวนาว่าอนีคาโหตุขอสัตว์ทั้งปวงจงยามีทุกข์นี้เป็นเหตุให้ได้อภปนาอันหนึ่ง บทภาวนาว่าสุขีอัตานังปริหารันตุขอสัตว์ทั้งปวงจงมีสุขประคองตนไปให้รอดเถิดนี้เป็นเหตุให้ได้อัปปนาอันหนึ่งแม้ในการลงมือภาวนาครั้งแรกโยคีบุคคลต้องส่งจิตไปตามบทภาวนาทั้งสี่บทก็จริงแต่เมื่อถึงวาระภาวนาจะเข้าถึงขั้นสำเร็จอัปปนาฌานโยคีบุคคล ก็สมรวมจิตยอยู่เฉพาะแต่ในบทภาวนาที่ปรากฏชัดคล่องแคล่วกว่าเพียงบทเดียวเท่านั้นฉะนั้นอัปปนาชาญจึงสำเร็จขึ้นทีละบทเป็นอัปปนาชาญอาการละสี่อัปปนาเมื่อโยคีบุคคลเจริญหรือแผ่เมตตาได้สำเร็จอัปปนาครบทั้งสี่บทโดยอาการห้าจึงได้อัปปนาชาญในอนโนทิโสภารณา คือแผ่เมตตาโดยไม่เจาะจงนี้ยี่สิบอัปปนาคือสี่บทคูณด้วยห้าอาการเท่ากับยี่สิบอัปปนาโดยทํานองเดียวกันในโอทิโสภาวนาคือแผ่เมตตาโดยเจาะจงนั้นเมื่อนับโดยวิธีการแห่งภาวนามีเจอาการโดยบทสำหรับภาวนามีสี่บท เมื่อโยคีบุคคลเจริญหรือแผ่เมตตาครบเจ็ดอาการและสี่บทแล้วก็ได้อัปปนาชาญเท่ากับ28สิบปดอัปปนาในทิสาภาณาคือทิศแผ่ไปในทิศโดยปรารพอนโนทิสบุคคลห้าจำพวกนั้นทิศหนึ่งหนึ่งโดยบุคคลมีห้าโดยบทภาวนามีสี่จึงได้อัปปนาชาญทิศละยี่สิบอัปปนา เมื่อรวมทั้งสิบทิศได้อัปปนาชาญถึงสองร้อยอัปปนาส่วนที่ปรารพโอทิโสบุคคลเจ็ดจำพวกนั้นทิศหนึ่งหนึ่งโดยบุคคลมีเจ็ดโดยบทภาวนามีสี่จึงได้อัปนาาอ ป, นออปนาชาญทิศละยี่สิแปดอัปปนาเมื่อรวมทั้งสิบทิศได้อัปปนาชาญสองร้อยแปดสิบอัปปนาจึงรวมอัปปนาชาญในทิสาภารณานี้ เป็น480อัปปนาด้วยประการชนนี้เมตตาอัปปนาชาทั้งสิ้นที่ท่านแสดงไว้ในคำพีปฏิสัมพิธามักจึงมีจำนวน528อัปปนาคือในอโนทิโสภรนา20ในโอทิโสภรนา28และในทิสาภรนา480รวมทั้งหมดเป็น528 ก็และเมื่อโยคียบุคคลจเจริญเมตตากรรมฐานด้วยภาวนาวิธีดังแสดงมาจนสำเร็จถึงขั้นอัปปนาชาญหรือเรียกตามสำนวนบาลีว่าเมตตาเจโตวิมุตตแล้วแม้แต่เพียงอัปปนาอันใดอันหนึ่งในบรรดาอัปปนาห้ายนั้นย่อมจะได้ประสบอนันนิสง์ถึง11อประการมีนอนเป็นสุขเป็นต้น ดังที่พันณ า, ามาแล้วโดยแท้แลอธิบายอนทิสอบุคคลห้าจำพวกในอนทิสอบุคคลห้าจำพวกคือสัตว์ปานะพูดบุคคลและผู้มีอัตภาพนั้นมีอธิบายดังต่อไปนี้คำว่าสัตตะ หรือสัตวะนั้นมีอัตถาวิเคราะห์ว่ารูปาฏิสุขันเทสุฉันทราเคนะสัตตาวิสัตตาติเท่ากับสัตตาชนเหล่าใดที่คล้องติดอยู่ในขันทั้งห้ามีรูปขันเป็นต้นด้วยความกำหนัดพอใจชนเหล่านั้นเรียกว่าสัตตะหรือสัตวะ ข้อนี้สมจริงตามพระบาลีที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ซึ่งมีปรากฏในคำภีสังยุตตนิกายขันธวารวักว่าราธะความพอใจความกำหนัดความยินดีและความใคร้อันใดในรู ป, ปรขันธบุคคลใดข้องติดอยู่ในรู ป, ปรขันธด้วยความพอใจเป็นต้นนั้นเพราะเหตุนั้นบุคคลนั้นจึงเรียกว่าสัตว ความพอใจความกำหนัดความยินดีและความใกล้อันใดในเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันบุคคลใดข้องติดอยู่ในเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันด้วยความพอใจเป็นต้นนั้นเพราะเหตุนั้นบุคคลนั้นจึงเรียกว่าสัตว์ความพอใจความกำหนัดความยินดีและความใกล้อันใด ในวิญญาณขันธ์บุคคลใดข้องติดอยู่ในวิญญาณขันธ์ด้วยความพอใจเป็นต้นนั้นเพราะเหตุนั้นบุคคลนั้นจึงเรียกว่าสัตว์ก็โวหารที่เรียกว่าสัตว์นี้ใช้เรียกแพร่หลายไปแม้ในบุคคลที่ไม่มีความกำหนัดแล้วด้วยทั้งนี้ด้วยสัพท์ที่ลามเลยไปเช่นเดียวกับโวหารที่เรียกว่าพัดก้านตาล ใช้เรียกแพร่ลามไปแม้ในพัดที่ต่างออกไปซึ่งทำด้วยตอกด้วยฉะนั้นอันหนึ่งพวกอาจารย์ผู้สนใจเพียงตัวอักษรลงมติเอาว่าคำว่าสัตว์นี้เป็นเพียงศักว่าชื่อเท่านั้นไม่ต้องวิจาร์ถึงความหมายส่วนพวกอาจารย์ผู้วิจาร์ถึงความหมายก็ลงมติเอาว่าที่ชื่อว่าสัตว์ เพราะประกอบด้วยความรู้บ้างเพราะประกอบด้วยความกล้ากล้าบ้างเพราะประกอบด้วยเดชอำนาจบ้างสรพบว่าสัตวะเป็นชื่อของความรู้ความกล้ากลา้าหรือเดชอำนาจผู้ประกอบด้วยความรู้เป็นต้นนั้นชื่อว่าสัตว์คำว่าปานะมีอัตถวิเคราะห์ว่า ปานานตายะปานาสัตว์ทั้งหลายได้ชื่อว่าปานะเพราะเป็นผู้มีลมหายใจอธิบายว่าเพราะเป็นผู้มีความเป็นไปเนื่องด้วยลมหายใจเข้าออกคำว่าผูตะหรือพูดมีอัถวิเคราะห์ว่ากัมมากิเลเสหิผูตตาผูตาสัตว์ทั้งหลายที่ได้ชื่อว่าพูด เพราะเป็นผู้เกิดมาด้วยกรร ม, มกิเลสอธิบายว่าเพราะเป็นผู้เกิดมาสมบูรณ์ดีแล้วเพราะเป็นผู้บังเกิดปรากฏชัดแล้วคำว่าบุคคลมีอัถวิเคราะห์ว่าปุนติวัจจตินิรโยตั t สมิง g k a l ติ t ั k a n c ต, ติเท่ากับปุคลานรกเรียกว่าปุง สัตว์เหล่าใดย่อมไปตกในนรกนั้นเพราะฉะนั้นสัตว์เหล่านั้นจึงเรียกว่าบุคคลหมายเหตุผู้อ่านสำหรับประโยคว่าสัตว์เหล่าใดย่อมตกในนรกข้อนี้น่าจะหมายถึงปุทุชนผู้ยังไม่ได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยะย่อมคือยังมีโอกาสตกนรกได้เพราะถ้าบรรลุอริยแล้วไม่มีทางตกนรกอีกแล้ว หลายคำในการแปลจากภาษาบาลีมาเป็นภาษาไทยส่วนใหญ่เป็นการแปลเมื่อนานมาแล้วนะครับดังนั้นคำหลายคำเมื่อเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยมาความเข้าใจของคนแต่ละยุคก็ต่างกันการใช้คำเชื่อมประโยค ก, ก็ต่างกันซึ่งถ้าไม่ศึกษาให้รอบคอบก็อาจจะเข้าใจความหมายบางตอนผิดไปได้นะครับจึงขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วย คำว่าผู้มีอัตภาพอธิบายว่าสรีระร่างกายเรียกว่าอัตภาพอีกอย่างหนึ่งขันทั้งห้าเรียกว่าอัตภาพเพราะขันทั้งห้านั้นเป็นแดนอาศัยให้เกิดสมมุติบัญญัติต่ตางๆขึ้นสัตว์เราได้นับเนื่องอยู่ในอัตภาพนั้นคือกาหนดตั้งลงในอัตภาพนั้นเพราะฉะนั้นสัตว์เรานั้นจึงเรียกว่า ผูมีอัตภาพแต่อย่างไรก็ดีคําว่าสัตว์เป็นคํากาหนดหมายเอาสัตว์ทุกชนิดไม่มีส่วนเหลือฉันใดแม้คําที่เหลือมีคําว่าปานะเป็นต้นก็เป็นเช่นเดียวกันพึงเข้าใจว่าคําทั้งหมดนั้นเป็นไวยพจน์คือใช้แทนคําว่าสัตว์ทั้งปวงเพราะยกขึ้นมาเรียกว่าปานะบ้างว่าบุคคลบ้าง ด้วยอำนาจเป็นคําที่แพร่าลามไปเหมือนกันความจริงแม้คําอื่นๆที่ใช้เป็นวัยพ์ของคําว่าสัตว์ทั้งปวงก็ยังมีอยู่เช่นคําว่าสัพเพชันตูสัตว์ผู้เกิดมาทั้งปวงและสัพเพชีวาสัตว์ผู้มีชีวิตทั้งปวงเป็นต้นแต่พระผู้มีพระภาคทรงเลือกเอาเพียงห้าคเท่านั้นคือสัตตานะ พูดบุคคลและอัตภาวะประิยาปัญนะมาแสดงไว้ว่าเมตตาเจโตวิมุตติแผ่ไปโดยเมจเจาะจงบุคคลโดยอาการห้าอย่างชนี้ก็โดยที่ทรงเลือกเอาแต่คำที่ปรากฏเด่นชัดเท่านั้นส่วนพวกเกจิอาจารย์เหล่าใดหากจะพึงประสงค์เอาคำว่าสัตว์และปานะเป็นต้นมีความแตกต่างกันแม้โดยความหมายโดยแท้ เพราะไม่ใช่แต่เพียงสักว่าเป็นคำวัยพ์อย่างเดียวเท่านั้นมติของพวกเกจิอาจาร์เหล่านั้นผิดไปจากบาลีที่แผ่ไปโดยไม่เจาะจงบุคคลเพราะถ้าถือเอาความหมายต่างกันว่าสัตว์ก็อย่างหนึ่งปาณะก็อย่างหนึ่งเป็นต้นแล้วก็จะเป็นการแผ่เจาะจงบุคคลไปเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติทั้งหลาย อย่าได้ถือเอาความหมายเหมือนอย่างที่พวกเกจิอาจารย์ประสงค์นั่นเลยพึงแผ่เมตตาจิตไปโดยเม่เจาะจงบุคคลด้วยอาการแห่งภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาอาการแห่งภาวนาห้าอย่างนั้นเถินก็แลในเมตตาภาวนานี้ภาวนาว่าสัพเพสัตตาอเวราหัวนตุขอสัตว์ทั้งปวง จงยาผูกเวรกันนี้ก็เป็นอปปนาอันหนึ่งภาวนาว่าอพพยาปชาโหรนตุจงอย่าเบียดเบียนกันนี้ก็เป็นอปปนาอันหนึ่งได้คำว่าอัพยยาปชาไม่มีความเบียดเบียนนั้นคือปราศจากพยาบาทภาวนาว่าอานิคาโหรนตุจงอย่ามีทุกนี้ก็เป็นอัปปนาอันหนึ่งได้ คำว่าอานีคาได้แก่นิทุกขาคืออย่ามีทุกข์ภาวนาว่าสุขีอัตตานังปาริหรันตุจงมีสุขประคองตนไปให้รอดพ้นเถิดนี้ก็เป็นอปปนาอันหนึ่งได้เพราะเหตุนั้นในบทเหล่านั้นแม้บทใดๆปรากฏชัดประโยคาวจรก็พึงแผ่เมตตาไปตามกำลังของบทนั้นๆเถิด โดยในยะที่กล่าวมาดังนี้อปปนาในอโนทิสาภาณะจึงเป็นยี่สิบเนื่องด้วยอปปนาสีในอาการห้าส่วนโอทิสะภาณะบุคคลเจ็ดจำพวกนั้นมีความหมายกระจ่างอยู่ในตัวแล้วคือคู่แรกได้แก่สตรีและบุรุษนั้นท่านแสดงไว้ด้วยอำนาจแห่งเพศคู่ที่สองที่ว่าอาริยะและปุถุชนนั้น ท่านแสดงไว้ด้วยอำนาจแห่งบุคคลเป็นสองจำพวกส่วนอีกสามประเภทหลังคือเทวดามนุษย์และวินิปาติจสัตว์นั้นท่านแสดงไว้ด้วยอำนาจภูมิเป็นที่บังเกิดอธิบายว่าภูมิเป็นที่บังเกิดของสัตว์โลกสิ้นทั้งมวล น, นั้นเมื่อว่าโดยลักษณะที่สูงต่ำเป็นต้นแล้วมีสามขั้นคือภูมิขั้นสูง ได้แก่ภูมิเป็นที่บังเกิดของหมู่เทพทั้งหลายมียี่สิบหกชั้นได้แก่อรูปภูมิมีสี่ชั้นรูปภูมิมีสิบหกชั้นส ก, กามาวจรภูมิมีหกชั้นภูมิชั้นกลางมีหนึ่งได้แก่มนุษยภูมิคือภูมิเป็นที่บังเกิดของคนเราทั่วไปภูมิขั้นต่ํามีสี่ชั้นได้แก่อบายภูมิหนึ่ง ทุติยภูมิหนึ่งวินิปาตาภูมิหนึ่งนิรยะภูมิหนึ่งพวกวินิปาติกสัตว์นั้นได้แก่สัตว์ที่บังเกิดในวินิปาตาภูมิคือที่เรียกว่าอสูรหรืออสุรกายหมายเหตุในที่นี้ท่านผู้แปลเห็นว่าคําว่าวินิปาติกสัตว์นั้นน่าจะหมายเอาสัตว์ที่บังเกิดในภูมิชั้นต่ํามหมดทั้งสี่ภูมิ คือรวมดิรัชฐานเปรตและสัตว์นรกด้วยส่วนในทิสาภารณะอัปนาเป็นส8 0ปสิคือตามนนยะมีสัพเพปุรัธิมายะทิศายะสัตตาขอสัตว์ทั้งปวงในทิศบุรพาเป็นข้อต้นทำเป็นทิศละยี่สิบรวมเป็นสองร้อยตามในยะมีสัพเพปุรัธิมายะทิศายะ อิธิโยขอสัตว์ทั้งปวงในทิศบุรพาเป็นข้อต้นทําเป็นทิศละยี่สิบแปดรวมเป็นสองร้อยแปดสิบทั้งหมดตามที่กล่าวมานี้เป็นอปปนาห้า้อยิปดที่ท่านกล่าวไว้ในปฏิสัมพิธามากแลอธิบายอันนี้สรงเมตตาสิบเอ็ดประการ ประการสุดท้ายในเมตตาภาวนานี้ที่ว่าโยคีบุคคลผู้เมตตาวิหารียอมหวังได้ซึ่งอ น, นิสงแห่งเมตตาเจโตวิมุตติสิบอ็ประการนั้นมีอธิบายโดยพิสดารดังต่อไปนี้อ น, นิสงประการที่หนึ่งที่ว่านอนเป็นสุขนั้นอธิบายว่าชนทั้งหลายจำพวกที่ไม่ได้สำเร็จเมตตาเจโตวิมุต เมื่อนอนก็ไม่นอนอยู่แต่ข้างขวาทางเดียวนอนกลิ้งกลับไปกลับมารอบตัวและนอนกลรนคือขณะเมื่อหายใจเข้าทำเสียงดังอยู่โครโคลเช่นนี้ชื่อว่านอนเป็นทุกข์ส่วนเมตตาวิหารีบุคคล น, นี้ไม่นอนเหมือนอย่างนั้นชื่อว่านอนเป็นสุขแม้เมื่อนอนหลับสนิทแล้วก็มีอาการเหมือนกับคนเข้าสมาบัติ ประ ก, การที่สองที่ว่าตื่นเป็นสุขนั้นอธิบายว่าชนเหล่าอื่นที่ไม่ได้สำเร็จเมตตาเจโตวิมุต t นั้นโดยเหตุที่นอนเป็นทุกข์ไม่ได้ความสุขในขณะที่หลับอยู่เมื่อตื่นขึ้นมาจึงถอดถอนหายใจใหญ่สยิวหน้าบิดไปบิดมาข้างน้นข้างนี้ดังนี้ชื่อว่าตื่นเป็นทุกข์ฉันใดส่วนเมตตาวิหารีบุคคล น, นี้ เกินขึ้นมาแล้วไม่เป็นทุกข์เหมือนอย่างนั้นเกิดขึ้นมาอย่างสบายไม่มีอาการอันน่าเกลียดชื่นบานเหมือนกับดอกปทุมที่กำลังแย้มบานประการที่สามที่ว่าไม่ฝันร้ายนั้นอธิบายว่าเมตตาวิหารีบุคคลเมื่อฝันเห็นสุบินนิมิตก็เห็นแต่สุบินนิมิตที่ดีๆทั้งนั้น เช่นฝันว่าได้ไปไหว้พระเจดีย์ได้ไปทำการบูชาพระรัตนตรัยหรือได้ฟังรัธรรมเทศนาส่วนชนเหล่าอื่นที่ไม่ได้สำเร็จเมตตาเจโตวิมุตย่อมฝันเห็นนิมิตอันน่ากเกลียดน่ากลัวต่างๆเช่นฝันว่าตนถูกพวกโจรมารุมล้อมถูกพวกสุนัขป่าไล่ขบกัดหรือตกลงไปในเหวฉันได้เมตตาวิหารีบุคคล ไม่ฝันเห็นสุบินนิมิตอันเลวร้ายเช่นนั้นประการที่สี่ที่ว่าเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายนั้นอธิบายว่าเมตตาวิหารีบุคคลย่อมเป็นที่รักใคร่เป็นที่เจริญใจของคนทั้งหลายเหมือนสร้อยไข่มุกที่พาดอยู่ที่หน้าอกหรือเหมือนดอกไม้ที่ปักอยู่บนศีรษะ ย่อมเป็นที่รักใกล้เป็นที่เจริญใจของคนทั้งหลายฉันนั้นประการที่ห้าที่ว่าเป็นที่รักของอามนุษย์ทั้งหลายนั้นอธิบายว่าเมตตาวิหารีบุคคลย่อมเป็นที่รักใกล้เป็นที่เจริญใจของพวกมนุษย์ฉันใดก็ย่อมเป็นที่รักใกล้เป็นที่เจริญใจแม้ของพวกอามนุษย์ฉันนั้นเช่นพระวิสาขาเทระเป็นตัวอย่าง เรื่องพระวิสาขเทระมีเรื่องเล่าว่าพระวิสาขเทระนั้นเดิมเป็นขหบดีชั้นกุดุมพีอยู่ในเมืองปาตลีบุตรในชมพูทวีปเมื่อเขาอยู่อยู่มาในเมืองปาตลีบุตรนั่นแลได้ยินข่าวเล่าลือมาว่าลังกาทวีปนั้นเป็นประเทศที่ประดับประดาสง่างามไปด้วยระเบียบพระเจดีมีความรุ่งเรือง เหลืองอาร่ามไปด้วยผ้ากาสาวพัในลังกาทวีปนั้นใกรๆก็ตามสามารถที่จะนั่งหรือจะนอนได้อย่างสบายปลอดภัยในที่ที่ตนต้องประสงค์และสัปปายะทุกๆอย่างคืออากาศสัปปายะเสนาสนะสัปปายะบุคคลสัปปายะธรรมสวนะสัปปายะเป็นสิ่งที่หาได้ง่ายได้ในลังกาทวีปนั้น กุดุมพีวิสาขะจึงได้ตัดสินใจมอบกองโภคสมบัติของตนให้แก่บุตรภริยามีทรัพย์คอติดชายผ้าอยู่เพียงกะหาปณ ะ, ะเดียวเท่านั้นออกจากบ้านไปคอยเรืออยู่ที่ท่ามหาสมุทรประมาณเดือนหนึ่งโดยที่กุดุมพีวิสาขะเป็นคนฉลาดในเชิงโวหารเขาได้ซื้อสิ่งของณที่นี้ไปขายณที่โนนรวบรวมทรัพย์ไดถึงพันกะหาปณะนะ ภายในระหว่างเดือนหนึ่งนั้นทั้งนี้ด้วยการค้าขายอันชอบธรรมเขาได้ไปถึงวัดมหาวิหารในหลังกาทวีปโดยลำดับครั้นแล้วก็ได้ขอบวชทันทีเมื่อพระอุปชาพาเขาไปยังสีมาเพื่อจะทาการบวชให้นั้นเขาได้ทำห่อรับพันกหาปณะนั้นให้ร่วงจากภายในเกลียวผ้าตกลงไปที่พื้นพระอุปชาจึงถามว่า นั่นอะไรเขาเรียนว่าศั์จำนวนหนึ่งพันกะหาปณะขอรับผมพระอุปชาจึงแนะนำว่าอุบาสกศับนี้นับแต่เวลาที่บวชแล้วเธอไม่อาจจะใช้จ่ายได้จงจ่ายเสียเดี๋ยวนี้วิสาขอุบาสกจึงคิดในใจว่าคนทั้งหลายที่มาในงานบวชของวิสาขะจงอย่าได้มีมือเปล่ากลับไปเลย ครั้นแล้วก็แก้หอดสับนั้นหวานโปรโยทานไปนในโรงอุโบสถแล้วจึงบรรพชาอุปสมบทการโปรโยทานก่อนแต่จะอุปสมบทของพระวิสาขาเทระได้ตกทอดเป็นมรดกแก่ชาวพุทธแม้ในประเทศไทยเราสืบมาตลอดถึงปัจจุบันวิสาขาภิกษุนั้นเมื่อบวชได้พรรษาห้าก็ท่องจำมาติกาทั้งสองได้อย่างคล่องแคล่ว ปวารณาออกพรรษาแล้วได้เรียนออกกรร ม, มาฐานอันเป็นที่สบายเหมาะแก่อัธยาศัยของตนแล้วก็ไปไปมามาหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันไปอยู่วัดละสี่เดือนเมื่อพระวิสาขาเถระเที่ยวผลัดเปลี่ยนไปอยู่ในวัดต่างๆอย่างนั้นวันหนึ่งได้เห็นสถานที่ระหว่างป่าอันเป็นโรมณียสถานน่าเรื่นรมแห่งหนึ่งจึงได้นั่งเข้าสมาบัติ อยู่ณโคนต้นไม้ต้นหนึ่งในระหว่างป่านั้นครั้นออกจากสมาบัติแล้วขณะที่ยืนอยู่ระหว่างปา่าได้พิจารณาดูคุณสมุทัยของตนด้วยความปีติโสมนัสเมื่อจะบรรลืสีหานาจจึงได้กล่าวเทระพาสิทธิ์ความว่าตลอดเวลาที่เราได้อุปสมบทแล้วมาตลอดเวลาที่เราได้มาอยู่ณที่นี้ ความประมาทพลาดพลั้งของเราในระหว่างนี้ไม่มีเลยช่างเป็นลาบของเธอแท้ๆหนอท่านผู้นิรุตุพระวิสาขะเทระนั้นเมื่อเดินทางไปยังวัดจิตตะบรรพศครั้นไปถึงตรงทางแยกสองแง้งได้ยืนคิดอยู่ว่าทางที่จะไปวัดจิตตะบรรพศนั้นจะเป็นทางนั้นหรือว่าทางนี้หนอขณะนั้น รุกขเทวดาที่สิงอยู่ณนะที่ภูเขาได้เหยียดหัดออกแล้วชี้บอกแก่พระเทระว่าทางนี้เจ้าข้าพระเทระไปถึงวัดจิตละบันพศแล้วก็ได้อยู่ณที่นั้นจนครบสี่เดือนในคืนสุดท้ายได้ตั้งใจไว้ว่าพรุ่งนี้เราจากต้องไปแต่เช้าดังนี้แล้วจึงเตรียมตัวจำวัด รุกรเทวดาตนหนึ่งซึ่งสิงอยู่บนต้นแก้วตรงที่ปลายทางจงกรมได้มานั่งร้องไห้อยู่ที่ขั้นบันไดพระเถระจึงถามว่านั่นใครเทพิดาเรียนตอบว่าดิฉันมณิลยยาเจ้าค่ะพระเถระซักว่าเธอร้องไห้ทำไมเทวดาเรียนว่าเพราะอาศัยเหตุที่พระผู้เป็นเจ้าจะจากไปเจ้าค่ะพระเถระจึงถามว่า เมื่อฉันอยู่ในทีน่นี้เป็นคุณประโยชน์อะไรแก่พวกเธอเลอะเทพธิดาเรียนตอบว่าท่านคะเมื่อพระผู้เป็นเจ้าอยู่ณทีน่นี้พวกเทวดาและอมนุษย์ทั้งหลายต่างก็ได้มีเมตตาอารีกแก่กันและกันเจ้าคะ่ะแต่บัด น, นี้เมื่อพระผู้เป็นเจ้าจะจากไปเสียแล้วพวกเทวดาและอมนุษย์ก็คงจกทำการทะเลาะวิวาทจะกล่าวคำหยาบคายเสียหายแกกันและกันเป็นแน่เจ้าคะ่ะ พระเทระจึงได้บอกแกเทพธิดาว่าถ้าฉันอยู่ที่นี่ความอยู่ผาสุขสำราญย่อมมีแกพวกเธอฉันดีใจมากดังนี้แล้วได้อยู่นวัดนั้นต่อไปจนครบสี่เดือนอีกครั้นครบสี่เดือนแล้วก็ได้คิดจะไปเหมือนอย่างเดิมอีกแม่เทพธิดามณาิลยานั้นก็ได้ไปร้องไห้เหมือนอย่างนั้นอีกโดยอุบายนี้พระเทระ ได้อยู่หน้าที่วัดนั้นและบริณิพานหน้าที่วัดนั้นนั่นแหละเมตตาวิหารีบุคคลย่อมเป็นที่รักใคร่เป็นที่เจริญใจของอามนุษย์ทั้งหลายด้วยประการชะนี้ประการที่หกที่ว่าเทวดาทั้งหลายคอยเฝ้ารักษานั้นอธิบายว่าเทวดาทั้งหลาย ย่อมคอยเฝ้ารักษาเมตตาวิหารีบุคคลเสมือนมารดาบิดาคอยเฝ้ารักษาบุตรฉะนั้นประการที่7ที่ว่าไฟยาพิษหรือสัตราไม่กล้ามกลายในตัวของเขานั้นอธิบายว่าไฟไม่กล้ำมกลายเข้าไปในกายของเมตตาวิหารีบุคคลเช่นอุบาสิกาชื่ออุตราเป็นตัวอย่างหรือยาพิษไม่กำทราบ เข้าไปในร่างกายของเมตตาวิหารีบุคคลเช่นพาจุระสิวะเทระผู้ชำนาญสั่งยุตันิกายเป็นตัวอย่างหรือสัตรามิบาดร่างกายของเมตตาวิหารีบุคคลเช่นสังกิจจะสา ม, มเนมเป็นตัวอย่างเฉพาะข้อว่าสตรามิบาดนี้ควรยกเรื่องแม่โคนมมาแสดงเป็นตัวอย่างประกอบดังนี้ได้ยินว่า มีแม่โคโนมตัวหนึ่งกำลังยืนให้น้ำนมแก่ลูกอยู่ขณะนั้นในพรานคนหนึ่งตกลงใจว่าเราจะแทงมันดังนี้แล้วได้ตวัดมือพุ่งหอกเข้าใส่ทันทีแต่หอกนั้นพอไปจรดลาตัวของแม่โคนั้นก็ม้วนพับเหมือนกับใบาตานนี้ไม่ใช่เป็นด้วยกำลังแห่งอุปจารสมาธิหรือไม่ใช่ด้วยกำลังแห่งอ ป, ปนาสมาธิเลย แต่เพราะความมีใจรักในลูกอันมีกำลังรุนแรงอย่างเดียวเมตตามีอนุภาพอันยิ่งใหญ่อย่างนี้แหละประการที่8ที่ว่าจิตเป็นสมาธิเร็วนั้นอธิบายว่าเมื่อพิจารณากรรมฐานจิตของเมตตาวิหารีบุคคลย่อมเป็นสมาธิได้อย่างรวดเร็วทีเดียวไม่มีความเฉื่อยชาเลย ประการที่เก้าที่ว่าผิวหน้าผ่องใสนั้นอธิบายว่าใบหน้าของเมตตาวิหารีบุคคลนี้ย่อมมีผิวพรรณผ่องใสเสมือลูกตาลสุกที่หล่นจากขั้วใหม่ๆฉะนั้นหมายเหตุผู้อา่านวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันพิสูจน์ชัดแล้วนะครับว่าการกอดการบอกรักจิตที่เป็นกุศล ส่งให้ร่างกายผลิตฮอร์โมนดีๆออกมามีผลให้ผิวพรรณผ่องใสส่วนความเครียดจิตเป็นอกุศลทำให้ร่างกายผลิตสารที่ไม่ดีออกมาส่งผลให้แก่ง่ายป่วยง่ายแพ้ง่ายแก่ก่อนวัยและผิวพรรณหมนหมองนะครับประการที่สิบ ท, ที่ว่าไม่หลงทากาลกิริยานั้นอธิบายว่า การตายด้วยความหลงยังไม่มีแก่เมตตาวิหารีบุคคลคือเมตตาวิหารีบุคคลไม่หลงทำกาลากิริยาเลยเมื่อตายเป็นเสมือนคนนอนหลับเะนั้นประการที่สิเ็ดที่ว่าเมื่อไม่ได้บรรลุคุณธรรมเบื้องสูงยังตาก็จะบังเกิดในพรหมโลกนั้นอธิบายว่าเมตตาวิหารีบุคคล เม่ยังไม่สามารถที่จะบรรลุถึงซึ่งพระอารหาัตอันเป็นชั้นสูงยิ่งกว่าเมตตาสมาบัติครั้นเคลื่อนจากมนุษยโลกนี้แล้วก็จะเข้าถึงพรหมโลกทันทีเป็นเสมือนหลับแล้วตื่นขึ้นฉะนั้นก็แล้วอนิสงฆ์ทั้งหลายมีนอนเป็นสุขเป็นต้นในเมตตาภาวนานี้แม้โยขี่บุคคลทั้งหลายผู้ได้สาเร็จฌานด้วยอานาจกรรมฐานอื่น นอกไปจากอารมวิหารกรรมฐานนี้ก็ยอมได้ประสบแม้โดยแท้สมด้วยคถาประพันธ์อันพระบราณอาจารย์แสดงไว้มีอาทิว่ามูนีทั้งหลายผู้มีจิตตั้งมั่นดีแล้วในอารมณ์กรรมฐานในภายในย่อมนอนเป็นสุขพระสาวกทั้งหลายของพระโคโดมพุทธเจ้าย่อมตื่นชนิดที่ตื่นด้วยดีในการทุกเมื่อชนนี้ แม้แต่กระนั้นผู้ที่ได้สำเร็จพรมวิหารกรรมฐานทั้งหลายย่อมได้ประสบอณิสงครบทั้งหมดนี้โดยไม่มีเศษเหลือทั้งนี้เพราะเหตุว่าพรมวิหารธรรมสี่เป็นข้าศึกโดยตรงของนิวรณากิเลสทั้งหลายมีพยาบาทเป็นต้นด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสพระพุทธโอวาทไว้ซึ่งปรากฏในคำพีดีคานิายปาติกวัก มีอาธิว่าอาวุโสก็เมตตาเจโตวิมุตตินี้นั้นเป็นธรรมะเครื่องสลัดออกซึ่งพยาบาทชนนี้อันหนึ่งโทษทั้งหลายมีนอนเป็นทุกเป็นต้นย่อมบังเกิดแก่มูสัตว์ก็ด้วยอำนาจนิวรณากิเลสมีพยาบาทเป็นต้นเพราะฉะนั้นเมื่อพรมวิหารธรรมซึ่งเป็นปฏิปักษแกนิวรณกิเลส มีพยาบาทเป็นต้นนั้นอันโยคีบุคคลบำเพ็ญปฏิบัติให้สำเร็จแล้วอา น, นิสง์ทั้งหลายมีนอนเป็นสุขเป็นต้นก็เป็นอันอยู่ในเงื้อมมือแล้วนั่นเทียวจบเมตตาภาวนา